เท็ปมุนที่หนึ่งหน้าที่สองการแนะนำเรื่องการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวอ่าตอนที่ว่าด้วยเรื่องการกําหนดรู้การเคลื่อนไหวในอิริบุตรย่อยที่เรากล่าวมาเมื่อกี้เป็นการกําหนดรู้อิริบทหลักคือการสร้างจังหวะและเดินจงกรมต่อไปนี้ก็จะเป็นการกําหนดอิริบท ย, อย่อยถ้าตอ้องพูดจริงแล้วเนี่ยชีวิตจริงของเราเนี่ยมันมีอยู่สองลักษณะ ลักษณะที่เป็นอียบทหลักคือยืนเดนินนั่งนอนอันนี้อิบทย่อยคือคู่เหยียดเคลื่อนไหวก้มเงยเดหลวซ้ายแรงขวาพับตาคือน้ำ ล, ลา ย, าาลายหายใจนึกคิดถือว่าเป็นอิบุตรย่อยนั้นเองซึ่งอิบุตรย่อยเนี่เราเรียกว่าสัมชัชญะการที่เราจะมารู้จักอียบทย่อยเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องมีความเข้าใจ กำหนดรู้ว่องไวช่างิชชั่นาญในอิริบทหลักซะก่อนคือการเดินจงคมสร้างจังหวัดถ้าว่าการเดินจงกรมสร้างจังหวัดของเรานี่ยยังไม่มากพอยังไม่ช่านิชชํานานพอแล้วจะไปกําหนดอริบทย่อยเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะ อ, อริบทย่อยเนี่มันละเอียดแล้วก็ความเคยชินอบนําได้ง่ายแต่อย่างไรก็ตามมาบัดนี้สมมุติว่าท่านผู้ปฏิบัติเนี่ยได้กําหนดอิริบทหลักได้ชัดเจนแล้วยืยนเดิน เคลื่อนไหวสร้างจังหวะเดินชงกลมได้มากพอแล้วเนี่ยต่อไปจะกําหนดในบทย่อยเนี่ยจะทําอย่างไรอันนี้เป็นเทคนิคที่เราจะต้องเรียนรู้ในรบทย่อยเนี่ยเราต้องยอมรับว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมีการอทํางานนะไม่ว่าทําอะไรก็ตามนี่มีแต่การเคลื่อนไหวของร่างกายทั้งนั้นทุกส่วนของร่างกายต้องเคลื่อนไหว ที่นี้เมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราจะทําอะไรนี่จิตของเรามุ่งไปที่จุดที่เราจะทำํำนะฮะอันนี้คือความเคยชินเช่นว่าจะอ่าซักผ้าอย่างเงี้ยเรายัางไม่ได้ไปจิตของเราไปที่ผ้าแล้วเราจะซักตัวไหนซักอย่างไรซักที่ไหนใช้อะไรไม่คิดไปโน่ น, นะนแต่เวลาเรามาปฏิบัติจเจริญวิปัสสนาภาวนาเนี่ยพอเรานึกขึ้น ม, มาจะซักผ้าอย่างเงี้ย ก็รู้ว่าซักผ้าอะไรอยู่ไหนไม่ไม่ต้องคิดต่อนะ้มันเพราะว่าอาการที่ว่าาผ้าอยู่ที่ไหนน้ําอยู่ที่ไหนอะไรเนี่ยมันก็เป็นความเคยชินที่เรารู้ไปแล้วไม่ต้องไปคิดต่อแต่ที่พอเรากําหน ด, ดว่าเราจะซักผ้าอย่างเงี้ยเราก็กําหน ด, ดความรู้สึกตัวเลยอาการที่เราลุกไปนี่ลุกอย่างไรก่อนที่จะไปถึงผ้าเนี่ยเดินอย่างไรเคลื่อนไหวย่างไรเท้าไหนไปก่อนอเมื่อไปถึงผ้าแล้วนี่เราจะทําอะไรต่อไปก้มแล้วก็หยิบ หยิบแล้วก็ไปหาชามกละมังในช่วงที่จะหยิบผ้าแล้วจะไปหาชามกละมังเนี่ยเราเริ่มหมุนซ้ายหรือหมุนขวาก่อนในขณะที่หมุนเนี่ยเ ร, เราเราก้าวเท้าไหนออกก่อนในขณะที่ก้าวเรากําหนดรู้ไหมนี่นี่คืออาการทอง ก, การจับปีบด ย, ย่อยคือหมายถึงว่าพยายามดึงจิตน้อยจากการเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่ให้จิตมันวปรออยู่ข้างหน้าทําการกําหนดรู้ให้เป็นตัวเป้าหมายอยู่ที่ตัวเอง เมื่อก่อนในตัวใจของเราเนี่ยเป้าหมายไปอยู่ที่ของนะแต่พอมาเจริญสติเนี่ยต้องดึงใจมาอยู่เป้าหมายหลักคือตัวเราเองนะี่อันนี้ใ น, นอาการเดียวกันเนี่ยทุกงานเนี่ยต้องทําอย่างนี้เรียกว่ากําหนดอีริยบทย่อยช่วงแรกาอาจจะทำไม่ได้มากอาจจะขัดข่าท้ายหายกำหนดได้บ้างไม่ได้ได้บ้างพยงายามทนบ่อยๆนะหมายความกําหนดรูปบ่อยๆกําหนดรูปไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้อง ที่มันลืมไปก็ช่างมันตั้งต้นใหม่เมื่อกี้ลืมกําหนดรู้มันรับคิดออกไปเรื่องนั้นก็ช่างมันปล่อยไปก็ตั้งต้นใหม่อยู่เรื่อยไปเมื่อเราตั้งตั้สติอยู่ในการเคลื่อนไหวกายของเราอยู่ประจำอยู่นี้เรียกว่าอเป็นการกําหนดอิเลียบทย่อยเรียกว่าสัมปชัญญะปรกภะการเคลื่อนไหวทุกส่วนตั้งแต่หัวจนเท้าเนี่ยลองกําหนดแต่การกําหนดนี้ไม่ใช่ว่าเพ่งจ้องกดดันนะรู้ไมเพราะว่าทำสบายๆรู้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะะ ถ้าเราไปเพ่งจ้องกดเกรงจะรู้ทุกเรื่องไปแล้วนี่จะเป็นอันตรายเหมือนกันทําให้เราเครียดทําให้เราเกรงขึ้นมาเพราะเป็นการสะกดใจของตัวเองแต่ในวิธีการของหลวพ่อเทียนทุกอย่างเราถือทางสายกลางคือทําให้พอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปให้พอดีพอดีเนี่ยโดยอาศัยอิริบทตามธรรมชาติเป็นหลักในขณะเดียวกันก็ไม่ปล่อยจนหลวมจนเลยเหมือนที่เราเคยทํามาในขณะเดียวกันก็ไม่เคร่งเครียดจนจะเอาได้ทุกอย่างก็ไม่ใช่นะ ทำแบบสบายแต่ใช้ปัญญาใช้การกำหนดรู้นั่นในอิริบทย่อยนี้มัน <c oughs> มีเยอะนะงานคู่เหยียดเคลื่อนไหวการกินการดื่มกันอุจจาระปัสสาวะการทำครัวยสื้ผ้าทูเรือนการพูดการคุยอะไรต่างๆถือเป็นอิริบทย่อยหมดนะซึ่งในอาการการเคลื่อนไหวเหล่านี้เราได้อยู่กับเข้ามาเป็นเวลาตั้งแต่เราเกิดจนถึงปัจจุบันเราไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยศึกษา แล้วการที่มากําหนดรู้การเคลื่อนไหวชีวิตยอย่างนี้มันไม่มีมหาวิทยาลัยที่ไหนสอนกันไม่มีโรงเรียนที่ไหนสอนกันแต่มีในพุทธศาสนาเราจึงเรียกอาการอันนี้ว่าเป็นพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์เหมือนกับศาสตร์อื่นๆแต่ว่าศาสตร์อื่นๆเรียนแล้วมันไม่ได้หมดทุกเรียนแล้วมันเพิ่มทุกแต่พุทธศาสตร์ทเรียนจบแล้วนี่มันหมดทุกเป้าหมายผลที่ได้รับจากการกําหนดอิริยบถย่อยก็คือ หลังจากที่เรามีความชำนิชำนาญในการกำหนดไม่ว่าเราจะทำอะไรเรามีการกำหนดรู้ได้อย่างชัดเจนมีการจงใจมีเจตนาในการรู้ได้เป็นส่วนใหญ่เทนั้นเถอะไม่ถึงกับรอยเอร์เซ็นถ้ารอเอร์เซาก็บรรลุธรรมเป็นพระรน้สิบเอรซนต์ยี่สิบเอร์เซ็ถึงห้าสิบหกสิบปอร์ซ็ตสบายแล้วชีวิตคำเพื่อหัดเพราะว่าส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราเนี่มันมาจากใจเราไม่ สามารถควบคุมดูแลจิตใจต่อให้มันนึกมันคิดมันก็ไปนําเอาปัญหาต่างๆคิดเรื่องของเราคิดเรื่องของเขาคิดเรื่องธุรกิจการงานบางอย่างมันยังมาไม่ถ right. ึงเดแล้วก็นํามาคิดเรื่องของคนอื่นมันยังเกิดมันยังไม่มาถึงเราเราก็นำมาคิดคิดอยู่สป็นล็รกเป็นเวรเดี๋ยวเอาเรื่องลูกมาคิดเดี๋ยวเอาเรื่องผัวมาคิดเดี๋ยวเอาเรื่องเมียมาคิดเดี๋ยวเอาเรื่องเพื่อนฝูงมาคิดเดี๋ยวเอาเรื่องสารพัดอย่างมีเรื่องที่จะคิด ที่เราได้รับทุกคืนทุกวันนีงง้แหละดังนั้นเองการจเจริญสติแบบนี้มันจะช่วยให้เราลดความคิดที่ไม่จําเป็นลราเลืกความคิดปรุงแต่งหรือสังขารต้องเน้นว่าเราจะลดความคิดที่ไม่จําเป็นออกไปได้เยอะทีเดียวเหมือนในบ้านของเรามันมีของไม่จําเป็นอยู่กองอยู่เยอะๆแล้วก็เลือออกทิ้งบ้างเหลือไว้แต่ของที่จําเป็นแล้วก็ทําความสะอาดบ้านบ้านมันก็กว้างขวางน่ายอยู่ปร่งหูโปร่มตาอยู่ก็สบายเนี่ย ใจแล้วหกันถ้ามันมีเรื่องเยอะแยะมากมายเข้าไปอยู่เข้าไปเจ็บกักอยู่ในจิตใจของเราใจของเราก็ลรคลุมลั ง, ลงไม่เจริญหูไม่เจริญตามไม่เจริญใจนะแล้วก็ลื้อเอาสิ่งเหล่านี้ออกมาเอาไปทิ้งอันไหนที่ไม่จําเป็นก็ไปทิ้งไปเผาอันไหนที่จำเป็นก็เก็บไว้เป็นที่เป็นทางไม่ใช่เกะกะไปหมดเพราะฉะนั้นคนไหนที่เก็บเรื่องเก็บราวไว้ในใจมากมนี่มันลรคลุมลังเขาเจริญนรก มันมันรกแตจิตใจแล้วมันลบไปได้วยของนั่นเองไม่ไม่ <m> ไ<ห>น่าอยู่คนเราก็ไม่อยากอยู่บ้านถ้าบ้านมันลกนะอยากไปอยู่ที่อื่นที่เขาทำดีๆสวยๆเย็นๆสะอาดแล้วก็อยากไปอยู่ที่นั่นบ้านของเราที่มันไม่งามไม่สวยไม่เย็นไม่สะอาดเราก็ไม่อยากอยู่เพราะมันกลายปเป็นนรกแลนะใจแล้วหมือนกันถ้าใจเรามันลบรุนแรงด้วยเรื่องความโลภความโกรธความห ล, ลงลกไปด้วยเรื่องเอ่ธุรกิจรกไปด้วยเรื่องการค่ากันเมืองรกไปด้วยเรื่องการ อ่าบุงแต่งอะไรทั้นองนี้ี่จ่ตของเรามันก็กลายเป็นที่อยู่ของนรกโดยอัตโนมัติเพราะมันรกรกมาจากคาว่านรกนั่นเองโอ้รกจําเลยแล้ว่ารกจําเลยมาจากคําว่านรกแต่เราพูดเอาคําท้ายของมันเสีมันรกคือมันนรกนั่นเองเพราะนั้นโบราณจึงว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพพานอยู่ไม่ไกลหายใจก็ได้ยินดังนั้นอย่าให้ใจเรารกในการที่เราจะเคลียจะคลีนใจเราได้เนี่ยมันไม่ได้ทําง่ายเหมือนกับเรา เรเก็บกวาดภายในบ้านไม่ได้ง่ายเหมือนเราจัดของอันไหนจําเป็นเอาออกอนไหนจำเป็นเก็บไว้มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าเราไม่เจริญสติไม่เจริญปัญญาจนเกิดดวงตาเห็นธรรมเนี่ยเราจะจัดการจุดนี้ไม่ได้เลยนะคนเรามันจินตไปนรกกันมากเพราะอะไรเพราะเคลียใจเคลียใจเพลย์น <c oughs> ิฟาจีจ่าของตัวเองไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ยอมหาเครื่องมือ ดังนั้นวิปัสนาปัญญาจึงเป็นเครื่องมือในการชําระจิตเป็นการเป็นเครื่องมือในการทําความสะอาดใจเป็นเครื่องมือในการจัดการสิ่งของต่างๆที่อยู่ในใจให้เอาออกมาได้นั่นเองดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ชาวพุทธทุกคนเนี่ยต้องเจริญวิปัสนาอถ้าไม่เจริญวิปัสนานี้เป็นไปไม่ได้เลยทีเดียวนะเป็นอาจจะจัดการได้นะร้อเอร์เซอาจจะการได้สองามเอร์เซ็นท่านั้นเองตามสถิ ป, ปัญญาของคนทั่วไป แล้วก็เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไหนจัดการได้แต่เรื่องที่ลึกไปกว่า น, นั้น่ะที่มันพ้นลึกไปกว่า น, นั้นนีจัดการไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่เจริญวิปัสนาปัญญาดังนั้นบุคคลผู้ที่มาเจริญวิปัสนาปัญญานี่จะสามารถจะสามารถในการที่จะชําระจัดการกับจิตของตัวเองได้การเจริญวิปัสสนาก็คือใช้ปัญญาจัดการกับชีวิตจิตใจของตัวเองได้อย่าง ได้ตามต้องการนั่นเองนะล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของพระของเจ้อาอย่างเดียวไม่ใช่เป็นเรื่องของนักบวชอย่างเดียวเป็นเรื่องของคนทุกคนที่ต้องการความสะดวกสบายใจส่วนลึกนะเหมือนการทำบ้านให้สะอาดจัดบ้านให้สะดวกเป็นอยู่ให้สบายเป็นเรื่องของคนทุกคนต้องทำถ้าหากคนคนนั้นเป็นคนที่เจริญเป็นคนที่มีในการศึกษาเป็นคนที่ต้องการความสะอาดตกแต่งบ้านหน้าอยู่ ไม่แต่บ้านเมืองนะที่เรามาอยู่กันในอเมริกาเนี่ยเราชมเขาในแง่จัดบ้านดีจัดอ่าแผนพังดีจัดถนนดีแล้วก็อยากมาอยู่กับเขาจะลำยากลําบากก็อยากจะมาอยู่เพราะอะไรเพราะเขาจัดการทางนอกได้ดีแต่ชาวพุทธของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนให้จัดการข้างในให้ดีเมื่อข้างในมันดีแล้วข้างนอกจจัดการยังไงก็ได้นะเพราะข้างนอกเนี่ยเราจัดการข้างนอกไม่ส้นเปลืองใช้เวลามากแต่จัดการข้างในเราจัดการข้างในเสียก่อน คือจัดจานให้จิตใจจัดให้จิตใจของเราจัดสรรให้จิตใจของเราสะอาดให้สว่างให้ส ง, งบอยู่เสมอเนี่ยเชื้อทุ่มเราจะมีคุณค่ามีความหมายมีความสุขในทุกที่ทุกแห่งนะแต่ว่าชาวพุทธส่วนใหญ่เนี่ยเราเราไม่ค่อยคํา น, นึงนะฮะเราไม่ค่อยคอ น, นึ ง, ไ ม, มนงไม่ค่อยคิดถึงเรื่องนี้กันเอาแต่เรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องเล่นเรื่องสืนสนารภายนอกแล้วปล่อยให้จิตใจเนี่ยรบกวน ร, รังไปหมดแล้วจะหาความสุขได้ยังไงนรกมันก็ติดอยู่ในใจของเราตลอดเวลา ไม่ต้องไปกลัวหรว่าตายแล้วจะไปนรกแต่มีชีวิต อ, อยู่มันก็ลกเต็มแย่อยู่แล้วนะฮะตายไปไม่ต้องพูดถึงแต่ถ้าคนไหนก็ตามเนี่ยสามารถจัดการชําระจิตชําระใจของตัวเองด้วยวิปัสนาอยู่เสมอจิตของคนนั้นก็จะสะอาดสว่างสงบนิพพานก็ไม่ต้องไปถามถึงมันต้องมีแน่นอนก็เป็นนิพพานในปัจจุบันนั้นทันทีนะี่อันนี้คือความหมายของการปฏิบัติว่าทําไมต้องยกมือสร้างจังหวะทําทไมต้องเดินจงกลมคือห ม, มายถึงเพื่อให้เกิดผลอย่างนี้ะ น, นี่คือผลที่เกิดตามมาแต่ว่าต้องฟิกลงไปว่าหนึ่งต้องทาด้วยศรัทธานะไปเจริญสติกนี่ถ้ามีไม่มีศรัทธามากมันทําไปไม่ได้ทำไปเดี๋ยวมันก็เบื่อเอดี๋ยวก็เซ็งเดี๋ยวก็เลิกนะนี่นหนึ่งต้องมีศรัทธาเข้มแข็งว่าอยากจะเห็นจิตใจของตนีสะอาดเรีบร้อยเหมือนเราจัดห้องจัดทับเนี่ยจะทำอย่างไรเ น, นี่ยเขาเรียกว่าการมีศรัทธาในการที่จะทำสอง ไม่มีศร e ัทธานึกคิดเอาอย่างเดียวไม่พอฟังอย่างเดียวไม่พออ่านอย่างเดียวไม่พอต้องลงมือปฏิบัติการลงมือปฏิบัตินี่ฉันใช้ว่าความเพียรกําหนดเอาไปเลยว่าวันนี้ในยี่ชั่วโมงเนี่ยฉันจะอุทิศในการชําระจิตของท่านสักชั่วโมงหนึ่งวันละอ่าชั่วโมงหนึ่งช่วงแรกๆต่อไปก็เพิ่มเป็นสองชั่วโมงต่อไปก็สามชั่วโมงต่อไปก็สี่ชั่วโมงไปเรื่อยๆทําได้อย่างนี้เขาเรียกว่ามีความเพียร คือเนื่องสรงจังหวะเดินจกูกลุมล็อกเวลาเอาไว้เลยนะว่าเราตื่นตอนไหนเราจะนอนตอนไหนก่อนนอนถึงก่อนนอนนี่ไงแม้แต่ตอนกลางวันถ้ามีข้กําหนดกําหนดอิริยาบถย่อยไปนะฮะถ้าเราทั้งทําอิริยาบถหลักคือเดินจูงกลมสร้างจังหวะและคอยกําหนดรู้ในอิริยาบถยลอยู่อย่างเนี้เลือกการปฏิบัติก็เจริญก้าวหน้าได้ไวอันนี้คือความหมายของความเพียร น, นะฮะที่ความหมายของความเพียรตามหลักของปริยัติก็มีอสีประการนะฮนะหน่ง ระวังอย่าให้เรื่องที่ creator, ไม่เป็นเรื่องนี่เกิดขึ้นในใจถ้าเกิดขึ้นแล้วต้องรีบสลัดทิ้งทันทีนะระวังเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องบาปเรื่องกุศลเรื่องคิดเล็กคิดน้อยเรื่องละแวงเรื่องสงสัยเรื่องรคเรื่องกลัวพวกนี้อย่าให Tree, ้มันเกิดสองเมื่อมันจําเป็นต้องเกิดล่ะเราเผลอคิดไปล่ะทํำไงก็ต้องสลั können. ดตัดเรื่องนั้นทันทีอย่าไปปล่อยให้มันรอยนอนอย่าไจิตใจอย่าปล่อยให้มันครอบงําจิตใจอย่าปล่อยให้มันยึดจิตยิตใจของเรา ประการที่สองรู้ว่ามันเข้ามาเพราะเรายังมสติไม่สมบูรมันอดคิดไม่ได้มันเข้ามาก็รีบตัดมันออกไปเนี่ยประการที่สามเมื่อตัดมันออกไปแล้วเนี่ยเราจะนิ่งเฉยไม่ได้ต้องเจริญสติทันทีกำหนดรู้ทันทีเจริญสติบ่อยๆเจริญสมาธิบ่อยๆกำหนดรู้ในเอียบทหลักกำหนดรู้ในบทย่อยกำหนดรู้ความรู้สึกตัวในปัจจุบันบ่อยๆนี่เขาเรียกว่าภาวนาน แล้เมื่อทําได้บ่อยอย่างนี้แล้วนี่ก็ อ, อย่าทิ้งอย่าคว้างรักษาเอาไว้ทํารักษ า, าเหมือนเราหาเงินอ่ะหามาแล้วจะไปใจใยอีบฉวยแฉกไม่ได้ี่จัดเก็บเอาไว้ประหยัดเอาไว้ฉั้นในก็ดีเมื่อเราจะเรียสติสมมุติความรู้สึกตัวก็พยายามรักษาใจไว้ในปัจจุบันการรู้จักเก็บรักษาอย่างนี้เราเรียกอนุรักษณะนะเพราะฉะนั้นความเพียรที่ถูกต้องประกอบด้วยสี่หลักหนึ่งระวังสองเมืระวังไม่ได้ก็ตัดสามทำสิ่ง ดีๆให้เกิดขึ้นสีรักษาสิ่งดีๆนั่นเอาไว้นะฮะหมายถึงว่าสติสัมปชัญญะสีนสมาธิพวกนี้คอยทําขึ้นเรื่อยๆแล้วจะอยู่ไหนก็ทำได้เป็นคฤทธหัตการงานยุ่งยากขนาดไหนก็ทําได้ถ้ามีศรัทธาแต่ถ้าไม่มีศรัทธาแม้แต่อยู่วัดก็ไม่อยากทำแม้แต่มาวัดก็ไม่อยากทำเพราะไม่มีศรัทธาแต่พอมีศรัทธาที่จะทําแล้วเนี่ยเราเมืนอถึงเมื่อพูดถึงเวลาแม้แต่ขับรถเนี่นก็ทําได้นะคำนวณรู้มื อ, มอเคลื่อนไหวอยู่ที่พวงมาลัย เ้าเคลื่อนไหวอยู่ที่เกียร์อยู่ที่เบรกมันก็ทําได้แล้วแล้วในขนาดที่เรานั่งขับรถอยู่เนี่ยก็มไม่ได้หมายความว่าเราจะนั่งทื่อๆมันก็มีการมองซ้ายมองขวาเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังอ่าหายใจก็มีเยอะแย ะ, แยะถ้าเราจะรู้ถ้าเราจะกำหนดรู้แต่ถ้าเราไม่มีศรัทธาที่จะรู้มันก็การเคลื่อนไหวเหล่านี้มันก็ชินไปเปล่าๆหมดไปเปล่าๆไม่ได้มีการกำหนดรู้ไม่ได้เกิดสติสมาธิปัญญาดัง <c oughs> นั้นคนฉลาดนี่ เขาจะต้องพยายามทําให้ได้ะกําหนดรู้เพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรไมิแต่ได้อย่างเดียวนี่นะคือเราขับรถกําหนดรู้ในการมือเคื่นไหวที่พงมาเลยเท้าเคลื่อนไหวหรือตาเคลื่อนไหวลมหายใจเคลืค่อนไหวก็กำหนดรูไไไ้ไปเรื่อยๆจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขกําหนดรู้รู้สึกตัวไปเรื่อยๆแต่ว่าอาการเหล่านี้จะกำหนดรู้ได้ชัดเจนก็ต่อเมื่อเราได้ลงมือปฏิบัติในอีเดียบทหลักคือเดินจงกรมสร้างจังหวะได้มากเท่านั้น แต่ถ้าเราไม่เดินมมะจูงปมหรสร้างจังหะให้บ่อยการที่เราจะมากับอยู่รู้ใจอิบทย่อยอย่างนี้เป็นการยากยากจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากจะนําเสนอว่าในชุดนี้ในเป็นเรื่องของอีบุบทย่อยนะนี้ต่อมานะชุดต่อมาการเจริญสติแบบนี้เนี่ยมันมีกติกาของมันก็คือว่าเราต้องลดเป็นเสพติดทัดด้งหลายไม่ว่าจะเป็นสุรายาสู เป็นคเครื่องดื่มสิ่งมลหนาทั้งหลายเนี่ยเป็นหมากเป็นบุหรีเป็นเบียร์เป็นเหล้าแม้กระทั่งการเท่นั้นก็ต้องงดเพราะอะไรเพราะนั้นคือทางแห่งความประมาททางแห่งความขาดสติถ้าเราไปทําสิ่งนั้นเมื่อไหร่ล้วก็ขาดสติเพราะอะไรเพราะการดื่มก็ดีการสูบก็ดีคือการทําร้ายตัวเองนะการทําร้ายตัวเองแต่คนทั่วไปก็ถือเป็นการคลายเพลียดเป็นการระบายอารมณ์เป็นกา ร, ai, การทำเพื่อสังคม อ, อันนั้นเป็นคําพูดของคนที่รู้เท่าไม่ถึงการ เพราพ่ อ, พอแม่ของเราเนี่ยเกิดมาแล้วไม่ได้เอาเหล้ามาป้อนไม่ได้เอาบุหรี่มาป้อนแล้วโตไม่ได้ข้าวด้วยนะไม่ได้โตไม่ได้บุหรี่ด้วยเหล้าด้วยเบียร์ น, นั่นเป็นสังคมนะเราวิ่งตามสังคมของคนไม่รู้วิ่งตามสังคมของคนหลงนั่นเองเราก็าไปคิดว่าสิ่งเหล่านี้ดีนะเพราะฉะนั้นาหากเรานักที่จะเป็นชาวพุทธที่ดีนักจะเป็นนักปฏิบัติที่ดีแล้วเนี่ยสิ่งเสียดจิที่งหลายเราต้องกำลดกำงดไปเลยนะฮ การสุบเหล้าการดื่มเหล้าการสุบบุหรีการเชี่ยวหมากการดื่มเบียร์ดืม <c oughs> ่ม่าสโทเฮโรอินฟิลลอะไรก็ตามนี่ยเอาออกให้หมดเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าเรากินไปมากๆก็คือการทำร้ายตัวเองอถ้าคนที่ทำร้ายตัวเองก็คือคนไม่รักตัวเองถ้าคนที่ไม่รักตัวเองแล้วไม่ก็ไม่มีความหมายอะไรที่จะต้องไปปฏิบัติธรรมเพราการปฏิบัติธรรมนั้นหมายถึงคนนั้นรักตัวเองรักเพื่อนรักฝูงรักพอ่อรักแม่ ถ้าคนเราเนี่ยบอกว่ารักตัวเองบอกว่ารักคนอื่นรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักลูกแต่ไม่รักตัวเองเนี่ยมันผิดหลักคนเราจะรักคนอื่นได้ต้องรักตัวเองเสีก่อนถ้ารักตัวเองยังไม่ได้จะรักคนอื่นไม่ได้ที่พูดว่ารักคนนั้นคนนี้เป็นเป็นคําพูดที่ไม่ตรงกับใจเป็นคําพูดที่ที่ไม่ถูกต้องเป็นคำโพหกนั่นเองนะคนเราที่จะรักตัวเองต้องรู้จักรู้จักรักษาตัวเองอ่าไม่ทำร้ายตัวเองด้วยกัน บรีไม่ทำร้ายตัวเองด้วยการดื่มเหล้าไม่ทำร้ายตัวเองด้วยการเลิกการบ้านนั้นไม่ทำร้ายตัวเองด้วยการเสพสิ่งจิตเสพจิตมึนเมาทั้งหลายนี่คือคนรักตัวเองรักภายนอกก่อนนะฮะรักภายนอกต้องรัสิ่งเหล่านี้ได้เพราะคนคนเราได้มีสองส่วนคือภายนอกคือกายและภายในคือใจแล้วคนนั้นถึงแม้เลิกสิ่งเสพติตทั้งหลายก็ยังไม่ที่ว่ารักตัวเองร้อยเปเซ็นต้องคนที่รักตัวเองแท้จริงนั้นต้องไม่โกรธง่ายต้องไม่โลบง่ายต้องไม่หลงง่าย ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเพราะความโลภความโกรธความหลงมันเป็นเชื้อโรคเป็นเชื้อเขาเรียกเป็นยาพิษของใจนั่นเองการที่เราปล่อยให้จิตใจโลภโกรธหลงหรือหมกมุ่นเมามในราคะโทสะบูหะก็เหมือนคนคนนั้นดื่มยาพิษให้แก่จิตใจนี่คนรักตัวเองนถ้าได้จิตใจนี้จะจะไม่ทำร้ายตัวเองด้วยกันมีอารมณ์โลภโกรธหลงขึ้นมาอาจัดความโลภโกรธทวกข์หลงเข้าไป ถ้าคนไหนทาได้อย่างนี้เรียกว่าคนนั้นรักตัวเองได้ร้อยเปเซ็นะฮะแล้วก็สามารถจะรักคนอื่นได้แล้วก็รักได้อย่างถาววด้วยแต่คนทุกวันนี้เรารักกันจริงก็รักด้วยเพราะอาศัยว่าเงื่อนไขต่างๆรักเพราะมีลูกด้วยกันรักเพราะคนนั้นมีสมบัติมากรักเพราะคนนี้มีการงานดีรักเพราะคนนั้นมีชื่อเสียงมากเขาไม่รักโต้นั้นนะจริงๆเขารักลูกของของเขารักชื่อเสียงเขารักเงินรักทองรักฐานะรักยศรักเกียรติของเขา ก็ถ้าหากว่าคนนั้นไม่มีไม่มีบ้างสเสมอมีรักผัวเพรผัวมีอลาบยศเสน่สหรับบัติแต่วันไหนวันหนึ่งผัวเกิดล้มละลายไม่มีลาบไม่มียศไม่มีเสน่ห์เนี่ยคนนั้นยังจะรักอยู่ได้ไหมก็ายากในส่วนใหญ่ก็ยาล้างทางทิ้งกันไปดังนั้นการจเจริญสติแบบที่พูดถึงเนี่ยมีมีเรื่องได้อย่างเดียวไม่มีเสียเลยนะเพราะนั้นก็อยากจะนําเสนอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยเรามาศึกษากันดู มันไม่ยากนะเพราะฉะนั้นประดมประการแรกนั้นต้องลดละเลิกในสิ่งที่เป็นอบายยมุกทั้งหลายทั้งปวงนะฮะประการที่สองก็คือต้องเป็นคนที่เรียกว่ามีกุศลจิตอยู่เสมอนะฮะอันนี้สําคัญคําว่ากุศลจิตนี่มนไม่ได้หมายไม่ได้หมายถึงว่าต้องทําบุญมากมา ก, มากให้ทานมากๆทําดีมากๆไม่ใช่คําว่ามีกุศลจิตอยู่เสมอเนี่ย คำว่ากุศลตัวนี้ขอพูดถึงที่มามันียก่อนก่อนที่จะเข้าใจเรื่องกุศลได้ดีคําว่ากุศลคำนี้มันมาจากเป็นชื่อของหญาติชนิดหนึ่งคือญาคารามภาษาบาลีว่ากุศลนี่แปลว่าญาคากุษละนี่แปลว่าญาคาพระพุทธเจ้าท่านทรงเอาคุณสมบัติของญาคาเนี่ยมาเป็นคุณสมบัติของจิตจิตที่มีคุณสมบัติในทางที่จเจริญในท่านเรียกว่ากุศลนะเพราะฉะนั้นเองญาคานี่มีคุณสมบัติอย่างไร หญ้นะาคาคุณชุบัติอย่างน้อยห้าประการขึ้นหนึ่งห้าคาเนี่รากมันสะอาดขาวจ่อยเลยนะประการที่สองรากย้าคานี่มีความแหละมะคมเป็นพิเศษประการที่สามห้าคาเนี่ยเป็นรากยาคาเนี่หาจินไกลนะหาจินไกลหมายพอให้ซอกซอนไปเรื่อยๆ <c oughs> ประการที่สี่หาคาเนี่ย เป็นหญ้าที่ตายยากมีความอดทนจเะเผาสักกี่ครั้งกี่ครั้งมันก็ยังงอกอยู่เองประการที่ห้าญาคาใช้ประโยชน์ได้เอามามงหลังคาเนี่ยควบคมหลังคาได้นม่คือสมบัติของหญ้าคาถ้าจริงใช่ก็ปุ๋สารเพือญาคาตามภาษาอินเดียบาลี <c oughs> เพราะฉะนั้นคนเราที่จะก้าวหน้าในการภาวนาได้อย่างน้อยมีคุณสมบัติ5ประการหนึ่งคนนั้นต้องมีจิตที่ เรียกว่าเป็นคนสะอาดใจซื่อมือสะอาดเป็นคนซื่อนะฮะเป็นคนไม่คดในข้งองอกระในกระดูกไม่เป็นคนไม่มีเล่ห์เหลี่ยมนะเป็นคนที่จิตใจอยู่สะอาดโดยโดยดีใสนะเป็นคนซื่อตรงโดยดีใสมีคุณธรรมขั้นพื้นฐานโดยดีใสเนี่ยนี่เหมือนลากยะขาขาวสาดนะฮะประการที่หนึ่ประการที่สองก็คือเป็นคนมีปัญญาพอสมควรเหมือนลากยะขาที่แหลมคมเป็นคนมีเชาว์มีปัญญามีสติปัญญาดีนะ นีคุณสมบัติประการที่สองคนที่มีกุศล่ะจะต้องมีสติปัญญาประการที่สามอยากหาเลหากินไกลหมายความว่าคนที่มีจิตเป็นกุศลนชอบแสวงหาแต่คุณงามความดีในทางดีชอบช่วยเหลือคนชอบชอบปรารถนาดีต่อคนมีเมตตาต่อคนทางไหนที่เขาว่าดีเนี่ยพยายามที่จะวขวนขวายทําอยู่เสมอแตทางไหนที่มันไปทางนําไปทางร้ายทางอากุศลเนี่ยเขาจะไม่ยอมทํานี่คุณสมบัติประการที่สาม รูปสะมปันธ์การที่สี่ก็คือเป็นคนอดทนเหมือนย่าขาย่าขามันทนหนาวทนร้อนทนไฟทนแดกได้ไม่ตายง่ายๆชั้นใดก็ดีคนที่มีกุศลและจิตต้องเป็นคนอดทนมีความมุ่งมั่นไม่ ท, ทุธท้อห่อเหีห่ยวไุกประสบกับความอ่าผิดหวังหรือประสบกับความอทุกข์แล้วก็เป็นคนที่เรียกว่า ไม่ทอดถอยจะทําอะไรก็ทําให้สําเร็จต่อเนื่องไม่ทิ้งกว้างมีความรับผิดชอบมีความอดทนสูงมีคุณสมบัติของคนที่มีความอดมี ม, มีความอดทนนะเรียกว่าย่าคามีความอดทนอคุณสมบัติประการที่สี่คุณสมบัติประการที่ห้าของคนมีกุศลก็คือเป็นคนที่ชอบสร้างประโยชน์ช่วยเหลือเกือ้อกูลบุคคลอื่นทําตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ผู้อื่น ทำตัวได้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวไม่ว่าทางร่างกายและจิตใจในสิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นก็ช่วยเหลือแนะนําสั่งสอนไปนะไม่ว่าใครไม่เลือกหน้านี่ก็เรียกเป็นประโยชน์ต่อสังคมเพราะนั้นท่านจึงเรียกคนลักษณะทั้งห้าประการนี้ว่าเป็นคนมีกุศลและจิตและคนอย่างนี้แหละ จ, จะเจริญภาวนาได้ก้าวหน้าได้รวดเร็วแต่บางคนมีไม่ครบมีไม่ครบก็กุศลก็มีน้อยเปุนคนส่วนนั้นถทบทวนอีกทีเมว่มาเป็นคนมี จิตใจซื่อมือสะอาดเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีฝักใฝ่ในสิ่งที่ดีอยู่เสมอเป็นคนมีความอดทนเป็นคนชอบสร้างประโยชน์ชอบช่วยเหลือผู้อื่นห้าประการนี่แหละเรียกว่าเป็นคนมีกุศลจิตในกมลสัมดาลนะคนอย่างนี้จะจะินภาวนาได้ง่ายไดเร็วนะแล้วก็เข้าใจได้เร็วแต่คนที่มีกุศลน้อยก็หมายความว่าคนมสมบัติแต่ละอย่างห้าอย่างไม่สมบูรณนะ์มีอย่างละนิดหน่อยบางอย่างก็ขาดไปอย่างนี้เป็นต้นนะ เพาฉะนั so ้นเองก็อยากจะนำเสนอว่าการเจริญสติอย่างนี้มันก็มีคุณสมบัติพิเศษที่เราจะต้องเาศึกษาเป็นเรียนรู้อยู่เสมอเราจะต้องยกระดับความเป็นมนุษย์ของเราให้สูงขึ้นนะอย่าเป็นอยู่เพียงคนคนในหน่วยความยไม่แน่นอนคุ้มดีคุ้มร้ายเดี๋ยวใจดีเดี๋ยวใจร้ายเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวโมโหเดี๋ยชุนดิเฉียเดี๋ยวโลภเดี๋ยกปวดดี๋ยหลงอย่อย่างนั้นเขาเรียกว่าคนเดี๋ยวก็ดีก็ดีใจหายแต่ร้ายก็ร้ายเหลือทนทุนน้องนั้นนี่เขาเรียกว่าคน ไม่แน่นอนขึ้นลงก็เรียกคนคนไปคนมานั่นเองนะยังไม่แน่นอนว่าจะเป็นอะไรถ้าเป็นมนุษย์นี่เป็นเรีกว่าเป็นคนมีกุศลมีจิตใจสูงมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพราะมนุษย์นี่สามารถจะไปเกิดในทางดีได้จะเกิดในทางที่เป็นเทวดาเป็นพระพรหมพระอินทร์เป็นพระอริยเจ้าได้ถ้าเป็นมนุษย์นี่ยเพฉะนั้นคนที่เข้ามาบวชท่านจะถามก่อนว่าเป็นมนุษย์ไหมมนุษย์โซซิครับผมเป็นมนุษย์คุณเป็นมนุษย์ไหม อามาพันเตคนบ่นก็าอามาพันเตคนจริงเป็นไม่เป็นไม่รู้นะอันนี้คือหลักของมันนะแล้วการเจริญสติแบบหลวเทียนเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายดายแต่ต้องอาศัยหลักทั้งห้าประการคือมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่เสมอแล้วมันจะประสบผลสุขผลนะเพราะฉะนั้นหลักการวิธีการอันนี้อาตมาภาพเองขอยืนยันว่าตนเองได้ปฏิบัติมายี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ยไม่ด้เบื่อเลยยิ่งปฏิบัติยี่สนุกไปทัฒ น, นาเพราะทําแล้วมัน มันสบายมันไม่ทุกข์เราสามารถช่วยเหลือที่นําคนอื่นได้ถ้าปฏิบัติตามได้มากมายะแล้วพอคนอื่นเขาปฏิบัติตามแล้วก็ได้ผลอย่างที่เราทํามาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเองก็อยากจะอกขอเชิญชวนท่านทั้งหลายที่เมีจิตฝักใยอยากจะเลืนก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยากจะมีชีวิตที่สงบเยือกเอย็นอยากจะมีจิตใจที่สว่างสะอาดอยู่เสมอนี่นี่มันจริญสติ ถ้าไม่จะเป็นสติยีอย่างนี้แล้วนี่รับรองได้ว่าเกิดมาไม่เฉียดชาติเกิดแล้วก็ไม่ตกนรกแน่นอนไม่ตกนรกเด็ดขาดถ้ามีสวรรค์ก็จะไปสวรรค์ถ้ามีนิพพานก็จะไปนิพพานได้ถ้าไม่มีสวรรค์นิพพานในชาติหน้าชาตินี้เราก็ได้แล้วได้สวรรค์นิพพานในชาตินี้ก็ไม่ขาดทุนนะเราจะเป็นอะไรก็ตามเป็นเศรษฐีเป็นยาจุกเป็นบนขอฐานก็ทําได้ถ้ามีคุณสมบัติทั้งห้าประการนั้นนั่นเองในการเจริญสติแบบพระเทียนจึงเป็นสิ่งที่วิเศษ ถ้าใครได้มาทําได้มาปฏิบัติก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญในวาสนาอาได้สร้างสมบุรณ์วาสนาอยู่เสมอสมวาสนาเราต้องทําด้วยตัวเองบุญบรารมีต้องสร้างด้วยตัวเองไม่ได้รออให้มันเกิดนะไม่ใช่ว่าผมไม่มีบุญวาสนาไม่ใช่อันนั้นเป็นคำปฏิเสธบุญวาสนาเราสร้างเองได้เนี่ยอันไหนที่มันดีๆก็ลงมือทําไปสิอันไหนที่มันดีๆก็ลงมือซื้ อ, ไ, อไปดินะ แต่คนส่วนใหญ่ทําลายบุญวาสนาของตัวเองด้วยการพูดชั่วทำชั่วคิดชั่นก็ถือว่าเป็นคนที่ทําลายบุญวาสนาของตัวเองคนไหนพยายามพูดดีทําดีคิดดีอยู่เสมอคนนั้นก็เรียกว่าได้เพิ่มภูนได้ส่งเสริมบุญวาสนาของตัวเองให้สูงขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นในที่สุดของการนําเสนอการเจริญสตินี้ก็ขอนามโมธนะสาธุผู้ที่ตั้งใจจะทําอย่างจริงจังแต่ถ้าต้องตามรายละเอียด เพิ่มเติมมากกว่านี้ก็มาเข้าข้อปฏิบัติที่วัดป่าพุทธยานันทารามที่ลัสเวกัตมูลราชในวนัดเราเรามีปฏิบัติทุกทุกวันนะช่วงเช้าปฏิบัติลมกันช่วงบ่ายก็ปฏิบัติเป็นส่วนตัวทำอย่างนี้ทุกวันถ้าจะมาะใช้เวลาที่นี่ครั้งละ5วัน10วันหรือเดือนสเดือนก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรถ้ามาปฏิบัติเพราะเราต้องการส่งเสริมต้องการพัฒนาจิตใจ ของการละกันนี่ให้สูงขึ้นให้ยกระดับให้อัปเกรดจิตใจของเราจากความเป็นคนเให้เป็นมนุษย์ขึ้นมาให้ได้จากเป็นมนุษย์ก็เป็นพระอินทร์พระพรหมเป็นพระอริยเจ้าในชาตินี้ไม่ได้หวังไปเกิดชาติหน้านไม่แน่นอนชาติห น, น้าเอาชาตินี้ที่แน่นอนนะเพราะฉะนั้นจึงแจ้งรายละเอียดเอาไว้ถ้ามีอะไรก็โทรมาถามก็ได้นะโทร437 3320เนี่ยที่วัดป่าพุทธยานันทาลามลัสเวกัสรหัส โค้ศูนย์สอนี่ครับโทรมาได้ตลอดเวลาพร้อมที่จะให้คําแนะนําให้คำชี้แนะในการปฏิบัติแบบนี้ให้อย่างละเอียดมีหนังสือมีมโนเทปให้ยืมฟรีโดยไม่ได้คิดค่าบริการอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเราอยู่ที่นี่เราก็อยู่ด้วยกําลังของบุญกุศลนะเราให้คําแนะนำเหล่านี้ฟรีฟโนะดยที่ไม่คิดค่าอะไรทั้งนั้นนะขอให้ตั้งใจนําไปปฏิบัติพร้อมที่จะให้คําแนะนําให้รายละเอียด แก่ทุกคนนะฮะหรือว่าใครต้องการเทปกัอการหนังสือมาเอาเองไม่ได้ก็สั่งมาจองมาเห็นหนังสือมาก็จะส่งไปให้บอกชื่อที่อยู่นะเพราะเราต้องการที่จะเห็นมนุษย์ทุกคนมีความสุขเมื่อมนุษย์ทุกคนมีความสุขโลกเราก็จะมีความสุขเมื่อโลกเรามีความสุขทุกคนก็อยู่ร่วมกันได้นะดังนั้นเองเมื่อคนในาศาสนาไหนในละที่ไหนก็ตามนะต้องมาลอมดูเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของพุทธศาสนาเป็นเรื่องของมนุษย์ทุกคนนะเราเป็นา ศ, าาศาสนาก็ศาสนาสากลนั่นเอง แนะนำไปได้เลยว่าใครอยากปฏิบัติอยากศึกษาเรื่องนี้นะฮะจะเป็นคนในศาสนาไหนก็ตามมาปฏิบัติได้เพราะว่าทุกคนไม่ว่าศาสนาไหนก็มีทุกตรงนั้นถ้าปฏิบัติถูกต้องตามหลักของเชตแล้วก็มีความสุขด้วยกันทั้งนั้นนะโดยที่ไม่จำกัดคนทิวดำผิวขาวคนเอเชียคนตะวัน